การปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏผลอย่างใดที่จะให้เป็นความดูดดื่มพอใจ จิตใจย่อมหาที่ยึดที่เกาะในสิ่งที่ตนมุ่งหวังไม่ได้ดังที่ท่านสอนว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นอิรมณหบุดพ้นนังนก็มีแต่สัญญาอารมณ์เต็มไปหมดคือความคาดความหมายดวนเดาภายในจิตนั่นแหละ าสมาธิความสงบเย็นเห็นจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเห็นจะเป็นอย่างนี้ตลอดวิมุตต์ความหลุดพ้นของจิตที่เป็นจิตบริสุทธิ์ร่วนๆคงจะเป็นอย่างนั้นมีเรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้คือเป็นเรื่องที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของ สัตของบุคคลทุกดวงไปไม่ให้คาดไม่ได้เป็นคู่เคียงกันกันกบความอยากรู้อยากเห็นต้องคาดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงความคาดแม้จะไม่มีผลปรากฏอย่างไรก็ตามแต่ก็พอใจคาดพอใจด้นเดานี่เป็นธรรมดาของจิตที่ยังไม่เคยรู้เคยเห็น ความจริงที่ท่านแสดงไว้ในพุทธศาสนาของเราทั้งหมดไมพ่พ้นที่จะคาดทะเนด้ลเดาไปได้เพราะใจนี้อยู่กับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันเป็นภาคพื้นเช่นรูปกายก็ ยึดไว้หมดว่าเป็นกายของเราเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางกายทางใจก็ยึดไว้ว่าเป็นสุขเป็นทุกขเวทนาของเราเป็นเรานะสัญญาก็เหมือนกันความจําได้หมายรู้มีแต่เรื่องของเราเข้าไปแทรกไปแทรกทั้งนั้น เพราะธรรมชาติที่จะดึงดูดหรือผักดันจิตใจให้ออกขาดออกยึดออกสำคัญมั่นหมายมันอยู่ภายในจิตใจเป็นพื้นอยู่แล้วสังขารวิญญาณก็แบบเดียวกั น, นสิ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่ที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่ ในเวลายังไม่เข้าใจยังในเวลายังไม่รู้ในเวลายังละยังถอนกันไม่ได้แยกกันไม่ได้ตามหลักธรรมชาติที่ธรรมท่านสอนไว้สิ่งเหล่านี้จึงปิดบังไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาความจริงทั้งหลายจะไม่ยอมรับเพราะผู้ที่เป็นใหญ่ฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นไม่ใช่ของจริงคือของปลอม มันแท้อำนาจปกคลุมไปหมดไม่ว่ากิริยาอาการอันใดของจิตที่แสดงออกส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องของความบงการของธรรมชาตินั้นผลักดันให้แสดงออกไปสู่อารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอารมณ์เหล่านั้นจึงกลับกลายเข้ามาค้เข้ากันกับว่า เราว่าของเราไปเช่นเดียวกับธาตุกับขันของเรานี่แหละไม่เช่นนั้นธรรมะซึ่งเป็นของเลือดของประเสริฐปราดทั้งหลายไม่เคยแสดงแยกแยะผิดกันไปแม้แต่น้อยหนึ่งทำไมเราผู้ปฏิบัติ จึงไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่ท่านแสดงเอาไว้นั้นก็เพราะสิ่งที่จะไม่ให้รู้ให้เห็นมันคอยปิดคอยบังคอยกั้นคอยขีดคอยขวางอยู่ตลอดเวลาของอาการแห่งกิจที่เคลื่อนไหวออกไปซึ่งการเคลื่อนไหวนั้นก็ออกไปเพราะอำนาจของมันอีกเมื่อเป็นฉะนั้นจะให้เราได้รู้ความเห็นความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อย่างไรการปฏิบัติธรรมที่ว่าเป็นของยาก ขพรา้สิ่งเหล่านี้แหละเป็นผู้ปิดผู้บงังความจริงทั้งหลายไว้แล้วเอาความจอมปลอมเข้าไปถ้าไปปกครองไม่เสียหมดความจริงเลยอยู่ภายในอยู่ใต้อํานาจของมันจึงมีตั้งแต่ความจอมปลอมเข้าแทรกเข้าสิงเข้าบงการเข้าทํางานไปเสียหมดอย่างตาเห็นรูปเนี่ย ถ้าตามหลักความจริงแล้วรูปก็เป็นรูปเราพิจารณาแยกแยะเพื่อจะให้เข้าสู่ความจริงก็เช่นรูปหญิงรูปชายเป็นรูปมาจากดินธมที่ไหนก็เป็นรูปมาจากธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟเหล่านี้ของเราเองที่อยู่กับเรากับความรู้แท้ซึ่งควรจะรู้กันมันยังไม่รู้มันยังรู้ไปแบบปลอมๆถ้าไม่ปลอมแล้วจะว่า ขันทั้งห้านี้เป็นเราเป็นของเราไปไม่ได้ในตอนนี้เราทราบเรามีโอกาสทราบได้เมื่อผ่านสิ่งเหล่านี้ไปแล้วยังไงก็เกาะกันไม่ติดจะบังคับให้เป็นดังที่เคยเป็นว่าท้าวว่าขันเหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั้นเป็นไปไม่ได้ ในจิตที่เข้าขั้นอัานะคือความเป็นไ ป, ไปไม่ได้แล้วนั่นเรียกว่าจิตจงธรรมชาติของตัวไว้เช่นพระรหันต์ท่านจะทำอย่างไรให้ท่านติดจะทำอย่างไรให้ท่านยึ ต, ตทั้งๆที่ท่านเคยยึดมาตั้งแต่สมัยที่กิเลรมันลุมล้อมให้ยึดท่านก็ยึดท่านยอมยึดแต่เวลาพิจารณาขี้คลายกันเข้าสู่หลักความจริงแล้วปล่อยวางไปตามหลักความจริงแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้จน ตลอดทั่วถึงหรือรอบไปหมดทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่นี้สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาว่าส่วนยาบส่วนส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของาธาตุของขันนี้จึงไม่สามารถที่จะซึมทราบธรรมธรรมชาติคือความรู้ที่บริสุทธินั้นได้ธรรมชาตินั้นก็เป็นอัธานะกดิตัวของตัวเองไม่ขึ้นกับใดๆทั้งสิ้นซึ่งแต่ก่อนเคยขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ให้สิ่งเหล่านี้เป็นผู้บงการเสียทุกแง่ทุกมุมจนหาทางกระดิกโดยความเป็นอิสระของตัวเองแม้ขนาดหนึ่งไม่ได้ถ้าธรรมชาติที่เป็นเจ้าอานาจนี้ไม่บงการเสียขยับขยื่อนตัวเองไม่ออกนั่นนี่ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมที่ท่านว่าเป็นของเลิอสิ่งที่ไม่เลิอมันไปครอบไว้เสียปิดไว้เสีย ห่มห่อไว้อย่างมิชิดเสียเลิศขนาดไหนเราก็มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่ไม่เลิศแต่มันเป็นความนิยมของเจ้ามหาอำนาจมันเสียขันว่าเป็นของเลิศเป็นของดีเราก็ติดพันไปตามมันอันนั้นเสียอย่างสาสนาธรรมหรือว่าความดีทั้งหลายหรือว่าธรรมทั้งหลายของพระพุทธ เ, ทเจ้านั้นถ้าเรา จะพูดให้ตรงไปตรงมาตามหลักความจริงแห่งสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ทั้งหลายแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานกับตลาดแห่งวัตจักรวัตจิตมีสินค้าเกลื่อนอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องถ้าพูดถึงเรื่องความดีจะเอาดีขนาดไหนตั้งแต่ดีพื้นพื้นมองดูในตลาด เต็มไปหมดตั้งแต่ความดีเป็นพื้นพื้นเอามองดูความดีแห่งธรรมทั้งหลายขยับขึ้นไปก็เต็มไปหมดขึ้นสูงขนาดไหนก็เต็มไปหม ด, ต, ต, ต, ต, ต, มมดตั้งแต่อาจแต่ธรรมตั้งแต่มรรคผลนิพพานจนกระทึงกระตั้งวิมุตติผุดพ้นเต็มอยู่ในตลาดนั้นหมดไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยแต่ทําไมจิตมันถึงไม่ยึดมันถึงไม่ไ ป, ไ ป, ไ, ปไปติดใจในสิ่งเหล่านั้น แล้วที่นี่พูดถึงเรื่องว่าวัตจิตสมบัติของวัตจิตวัตยคือสมมุติทั้งหลายที่จิตได้เคยคุกค้ากันมากี่ ก, กับกี่กันนั้นมันก็มีอยู่เต็มด้วยกันถ้าจะเทียบกันแล้วความมีมากแห่งมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้ากับความมีมากแห่งสมบัติของสมมุติที่ธรรมชาติอันนี้เสืส่อสรรปัญญอขึ้นมานั้นมีดูในฉากเดียวกัน มีเพียงพอเช่นเดียวกันหมดไม่มีสิ่งใดบกพร่องว่ามีจำนวนน้อยต่างกันแต่เวลาให้จิตของเราไปยึดจะไปะยึดตั้งแต่สิ่งที่เป็นที่เด็ดทั้งมวลทั้งมวลทั้งมวลไม่ว่าส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดจะไปเกาะติดเกาะติดที่ตรงนั้นทั้งนั้น มองหาสาระอันสำคัญของธรรมทั้งหลายตั้งแต่ธรรมพื้นพื้นความดีพื้นพื้นนั่นจนกระทั่งถึงมาผลิผ่านไม่เห็นเลยเพราะอะไรก็เพราะสิ่งจอมปลอมๆที่กิเลสทั้งหลายมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ปิดกั้นไว้หมดจิตใจจึงดูดดื่มมาทางนี้นั่นแหละที่ว่า การชำระกิเลสเป็นของยากเพราะกิเลสอยู่กับตัวตลอดเวลาทำงานอยู่กับหัวใจเราตลอดเวลาไม่มีการละเว้นเลยนอกจากหลักสนิทเท่านั้นส่วนธรรมนั้นได้ทำเป็นบางการบางเวลาเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะทำตลอดการหรืออาการิโกเช่นเดียวกับกิเลสทำงานบนหัวใจเราธรรมะจึงต้องมีการมีเวลาที่จะได้โอกาสทำบ้างหรืออย่างหนึ่ง ไม่ค่อยมีโอกาสอย่างหนึ่งไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาตายทิ้งเปล่าๆไม่ได้บําเพ็ญคุณงามความดีพอที่จะเป็นสมบัติอันมีค่าเข้าสู่ใจของเราเลยอย่างนี้ก็มีแยะนี่เพราะอํานาจเครื่องดึงดูดอยู่ภายในจิตใจนั้นมันอยู่กับใจซะเองจึงไม่มีการสถานทีเ่เวลาที่มันจะทํางานไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องมีการปิด หุ้มหอ่อหรือว่าปิดบังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยละเว้นเลยแล้วผู้ที่จะมองดูอัดดูธรรมนั้นทั้งๆที่เกเลตมันปิดอยู่นั้นเราจะเห็นได้อย่างไรสมาธิก็เห็นไม่ได้ปัญญาก็เห็นไม่ได้ธีมุตบุตรพ้นก็เห็นไม่ได้จึงต้องมีแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรือนอยู่เรือนเป็นเรือนตายเรือนวัตจักรจากวัตจิตหมุนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้น เชียงอนั้นเข้าเพื่อแฝงไม่ได้หรือเข้ายื้อแย่งแข่งดีกันไม่ได้เพราะยังไม่มีกําลังพอยุนต้องปล่อยให้ธรรมชาตินี้ทํางานตลอดไปตลอดมาดังที่เราเราท่านท่านได้เห็นอยู่เวลานี้เราอย่าดูจิตคนอื่นให้ดูจิตของเราที่มันหมุนเยน็นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในความคิดความปรุงความต้องการมัน่นหมายนี้มันเคยเบื่ออะไรบ้างมีไหม ไม่เคยมีคิดปรุงวันย่างคําเพลินคิดวันยังคําไม่เคยเบือ่อความคิดความปรุงของตนเลยสําคัญมั่นหมายอันใดก็ตามกับอารมณ์ใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นกิเลสแล้วมั่นพ อ, อกพอใจหมุนติ้วกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นการเกิดการตายจึงไม่มีคำว่าแก่คำว่าชรา ค, คําค่าจะต้องมีไปเกิดไปตายไปเรื่อยอย่างนี้เพราะธรรมชาติอิเลสตัว น, นี้ไม่เคยมีคําว่า ชาลาข้ามค่าลงไปแม้กฎเอจรของธรรมท่านบ้านอันนี้จรทุกขังนัตตาเป็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่แน่นอนถือเป็นตัวของตัวไม่ได้แต่เรื่องของกิเลสจะแปลก็แปลไปเพื่อกิเลสเป็นทุกข์เพราะกิเลสเป็นผู้บีบให้เป็นทุกข์อนาัตตาก็กิเลสเป็นผู้เสกสรรตั้งรอว่าเราว่าของเราเอ๋อเหสียอย่างดือด้อๆด้านด้า น, านที่ให้เราได้เชื่อได้เห็นอยู่ทั้งทั้งที ทำพรพุทธเจ้าประกาศกังวาลอยู่นั่นแหละนี่ในเวลาที่จิตของเรายังไม่สามารถเป็นได้อย่างนี้ดูหัวใจเราก็รู้เวลาฝึกหัดจิตใจเบื้องต้นพยายามจะทำภาวนาให้จิตมีความสงบทั้งๆ ท, ที่มีครูมีอาจารย์มีตำลับตำลา บ, บอกสอนไว้แล้วก็ตาม แต่เวลาเข้าสู่สงครามคือขึ้นบนเวทขึ้นเวทีได้แก่การประกอบความภาคเพี่ยนจะเป็นท่านั่งท่ายืนท่าเดินก็ตามซึ่งเป็นท่าแห่งความเพียนที่เราได้ตั้งเอาไว้มันจะล้มเหลวไปล้มเหลวไปเพราะถูกกิเลสบีบบังคับถูกกิเลสเตะถูกกิเลสยันให้แหลกเละแหลกแตกกระจายยึดหลักเปลี่ไม่ได้เช่นให้ภาวนา คำว่าพุโทโธพุโทโธนี่ไม่กี่วินาทีเราไม่อยากจะพูดถึงนาทีเลยก็ถูกสลดัดตัดวิเดชสลัดตัดทิ้ง ล, ลงไปเขียเหลือตั้งแต่ความเผลอสติอันเป็นเรื่องของสติทำงานเป็นเรื่องของกิเดชทํางานแล้วฉุดลากจิตใจของเราไปสู่อารมณ์นั้นสู่อารมณ์นี้ทั้งๆ ท, ที่เราอยู่ในท่าแห่งการประกอบความเพียรหรือท่ารบกับวิเดชนั่นแหละเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบได้ หิต้องเราจริงหาความสงบไม่ได้เพราะคําว่าความเผลอเผลอเลยนั้นไม่ใช่เป็นทางให้เดินเพื่อความสงบของใจมั น, เ ป, น, เ, ปนมเป็นทางุเป็นความเป็นทางเป็นให้เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเพาะที่เดือดผักดันหรือฉุดลากให้ไปต่างหากนี่เมื่อเป็นฉนั้นการเผลอก็เผลออยู่มาหยุดไม่ถอย ท, ทั้งทั้งที่เราก็ภาวนาอยู่อยู่เช่นนั้นแหละ ตามความเข้าใจของเราแต่จิตหาความสงบไม่ได้เพราะเหตุไรก็มังงงในเจ้าของงงอะไรถ้าจะให้ความรู้เหนือจากกว่านั้นขึ้นไปก็คือว่าเพราะเผอสตินั่นเองถ้าสติได้ตั้งกันตามจุดที่หมายเช่นเรากำหนดพุทโธนี่ในขั้นเริ่มแรกหรือจะกำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้ตั้งความรู้ ลงที่จุดแห่งลมหายใจความรู้อันที่ว่าเรียกว่าใจและมีสติรับทราบให้เด่นขึ้นในความรู้นั้นดูตลอดเวลาแล้วจิตไม่มีโอกาสที่จะลถลเหลาถลไปที่ไหนได้มีธรรมะเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจด้วยสติอยู่โดยสม่ำเสมอจิตนั้นจะสงบตัวสงบตัวเข้ามาแล้วกลายเป็นความสงบขึ้นที่ใจ เมื่อใจเริ่มสงบเข้ามาเท่านั้นเราก็เห็นความสุขความสบายและเห็นคุณค่าแห่งความสงบว่าเป็นผลแห่งความสบายขึ้นมานั่นในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งร้างที่ถูกกิเลสมันผลักไปดันไปหรือถุดกไปในขณะเดียวกันแล้วเราก็มีความเข้มงวดกวดขันที่จะทำจิ ต, ต้องเราให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปด้วยความมีสติก อย่างนี้เรามีทางที่จะทราบได้นี่ในขั้นเริ่มแรกยากอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบได้ว่ายากหรือง่ายลําบากระบนขนาดไหนเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่ที่จะให้จับกันได้เช่นเวลาใดจิตสงบไม่ได้เลยเวลานั้นก็หาความสบายไม่ได้เวลาใดที่จิตมีความสงบ แน่วแน่ลงได้เวลานั้นกับความสบายความแปลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเองทั้งสองนี้เป็นสักขีพยานให้เห็นได้ชัดว่าฝลายที่เป็นโทษทำให้เกิดความทุกข์ความท ร, รมานคือความพุ่งสั่นลำคาญก็ทราบไว้ทางเป็นสุขเพราะความสงบของใจไม่สายแสไปหาอารมณ์ที่เป็นพิษ เราก็รับทราบไว้จากหัวใจของเราผู้สัมผัสสัมพันธ์หรือผู้ปรากฏเสเองแล้วพยายามก้าวเดินตามนั้นจะยากขนาดไหนก็ตามเรื่องของจิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลสแล้วยังไงก็ต้องชุดต้องลากให้หาความสงบร่มเย็นให้หาความเป็นอิสระอยู่โดยลําพังตัวเองไม่ได้อยู่โดยดีจะต้องเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ใช้สติ ทุกเวลาเวลาทุกการสถานที่สําหรับนักปฏิบัติแล้วเรียกว่าเหมือนหน้ามวยที่เขาต่อยกันเถอะไม่ได้อืต้องเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างสติปัญญากําลังวังชาท่มกำลังหมดในเวลานั้นนี่ก็เหมือนกันการต่อสู้กับพิเดชจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับผมเองที่เลยมาแสดงให้เพื่อนฝูงฟังนั้นถ้าจะพูดว่า อำนาจวาสนาของเราหยาบนิสัยวาสนาของเราหยาบอย่างนี้ผมก็ยอมรับเพราะทํายากจริงๆทายากถึงขนาดน้ำตาร่วงเพราะสติก็มีปัญญาก็มีแต่สู้กิเลสไม่ได้ให้กิเลสฉุดลากหัวใจไปสู่ที่ต่างๆอันเป็นพิษเป็นภัยอยู่ต่อหน้าต่อตาสติมีแต่ไม่พอกำลังไม่พอปัญญามีแต่กาลังไม่ ปัญญาไม่พอก็ให้มันถุดลากไปต่อหน้าต่อตานี่ในขั้นเริ่มแรกขั้นล้มลุกคุกคานเป็นอย่างนี้มีตั้งแต่การต่อสู้ท่าต่อสู้ท่าเดียวพยายามหาะวิธีต่อสู้หลายแงย่หลายกระทงเช่นผอนอาหารบ้างอดอาหารบ้างอดนอนบ้างเดินนานา น, า น, น, านานบ้างนั่งนานนานบ้าง หลายวิธีการเพราะหาแง่หาทางที่จะให้มีกําลังต่อสู้กับกิเลสคือความฟุง้งซ่านลำคาญจนหาหลักหาเกณฑ์ภายในตัวไม่ได้นี่ให้สงบตัวลงให้เห็นได้อย่างชัดเจนภายในใจิตใจจึงต้องได้ใช้หลายวิธีดังที่เคยนำมาแสดงให้หมู่บ้านฟังตามความถนัดแห่งจดิตใิใสัยของตนก็คือการผ่อนอาหาร การอดอาหารดังที่แสดงให้ฟังอยู่เสมออย่างอื่นในขั้นเริ่มแรกไม่ปรากฏว่าสิ่งใดวิธีการใดที่ทำเจ้าของให้ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจและเป็นของแปลกประหลาดภายในจิตขึ้นมาให้เห็นเช่นเดินนานก็เคยเดิน ยืนนานๆก็เคยยืนนั่งนานๆก็เคยนั่งเว้นการนั่งตลอดลุ่งนั่นเสียมันก็ไม่แสดงผลอย่างไรขึ้นมาก็ออยังสู้ความวุ่นวายของจิตความสายแสของจิตนี่ไม่ได้อยู่นั่นแหละเฉพาะอย่างยิ่งราคะตันหานี่รวเร็วมากสําหรับวัยที่ยังหนุ่มยังแน่นเช่นอย่างพวกเราเราท่านท่นนี้ใครๆก็จะต้องเหมือนกัน พระาะธาตุขันมีกําลังย่อมจะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้มีกําลังมากขึ้นและรวดเร็วหรือคลั่งตัวมากขึ้นเช่นราคะตัณหาจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วคําว่าปรากฏอย่างราคะตัณหานี้เราไม่ได้หมายถึงว่าเรามองเห็นรูปวิสภาคเช่นรูปหญิงจะเกิดความกําหนัดยินดีขึ้นมาเสดย่างออกหน้าออกตาอย่างนี้ได้ยินเสียงหญิงเป็นต้น แล้วปรากฏความกำนัดยินดีขึ้นมาความรักความชอบขึ้นมาอย่างออกหน้าออกตาอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่มันปรากฏอยู่ที่กิตซึ่งเราเฝ้าดูอยู่นั่นด้วยสติสตังของเรามันแสดงความแปลกประหลาดไปในทางนั้นให้เห็นอยู่ชัดชัชัดชั ด, ช ด, ชดจะพยายามระงับเท่าไหร่มันก็มีมีอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะไม่ถึงกับว่าแสดงมาทางอาการหรืออวัยวะต่างๆก็ตามแต่มันเป็นความ เจ็บแสบออกมากทีเดียวเพราะเราตั้งหน้าตั้งตาจากห้ามันอยู่แล้วเหตุใดมันจึงมาตั้งหมัดตั้งมวยต่อหน้าต่อตาเตล่มเตะแรงเตะเฉียดหน้าเฉียดหลังเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยทำไมคนเราจะไม่เสียใจคนทำไมคนเราที่มีหัวใจอยู่ด้วยกันจะไม่เจ็บไม่แสบภายในจิตใจนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาตั้งหาอุบายวิธีการต่างๆขึ้นมา ยังต้องได้ทำทรมานหลายวิธีการกันสุดท้ายก็ไม่พ้นวิธีที่จะรับความทุกข์ความลาบากมากๆเช่นอดอาหารพรก็ดีแต่มันไม่สมใจมันไม่ทันใจไม่ได้อย่างใจหวังของเราเมื่ออดนี้รู้สึกว่าเด่นขึ้นเด่นขึ้นอดคืนแรกวันแรกคติค่อย เหมือนกับว่าข้าเป็นคนก็ค่อยรู้ภาษีภาษาขึ้นบ้างอดวันที่สองอดวันที่สามเข้าไปด้วยความเพียรที่ขมักขเมนอย่างเป็นที่อยู่นั่นแหละกับวิธีการใดแห่งความเพียรก็ตามแต่มันสู้วิธีการอดอาหารนี้ไม่ได้เมื่อหลายวันเข้าไปกําลังของธาตุของขันนี่ค่อยอ่อนตัวลงนีล่ลดทิ้งที่ว่าเครื่องเสริมที่เรียกมีราคะตัะหาเป็นต้น ค่ออ่อนตัวลงไปไม่รวดเร็วชติค่อยเด่นขึ้นมาชติเด่นขึ้นมาสุดท้ายใจก็สงบตัวลงได้เพราะทิเลชทั้งหลายไม่ความวุ่นวายทั้งหลายไม่รบกวนจิตใจไม่ฉุดกจิตใจไปอย่างรุนแรงต่อหน้าต่อตาของเราเหมือนที่เราฉันอยู่ตามปกติเมื่อปรากฏเห็นผลประจักษ์แล้วไม่เพียงแต่ว่าป ผลประจักรเพียงแค่นั้นยังเห็นผลแปลกประหลาดอยู่ภายในจิตในขณะที่สงบแน่วแน่ลงไปซึ่งเราก็ไม่เคยสงบอย่างนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเพราะการอดอาหารด้วยความเพียรโดยวิธีการอดอาหารเด่นชัดขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมาจนถึงกับมีความรื่นเริงภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายจิตใจอยู่กับตัวสติตั้งจนกระทั่งแบบ เราอยากจะพูดว่าเพราะมันเป็นบางครั้งมันเป็นอย่างนั้นจริงทั้งวันมันไม่เผอเลยตั้งกันได้ทั้งวันไม่เผอในขณะหรือในเวลาที่อดอาหารอยู่นั้นเพราะตั้งทุกเวลาตั้งทุกขณะไปวันนี้แล้ววันหน้าต่อไปก็อดอยู่อย่างนั้นตั้งสตินานแต่นานไ ป, นนไปสติติดกันเป็นประหนึ่งว่าสัมปะชัญญักหยุดชิดตรงออกไปเรื่องอะไร รู้ทันรู้ทันดับได้ทันนี่ยิ่งเด่นชัดขึ้นแล้วก็ทำให้เจ้าของมีแจใจมีความกล้าหาญชาญชัยต่อความเพียรเพราะเห็นผลประจักษ์ภายในกิจการตัวเองนี่แหละที่ทำให้ได้ลำบากมากที่ว่าไม่อยากลำบากแต่ทางเดินอยู่อย่างนี้อย่างนี้ว่าจะเรียกว่าที่สัยว่าชงศาสนาเรายาบ ก, ก็ยอมยกให้ เมื่อวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ได้ผลถึงจะยากลำบากเราก็ต้องได้ฝ่าฝืนได้ทำอยู่นั่นแหละทั้งๆ ท, ที่ไม่อยากทำจนกระทั่งเห็นได้ชัดเลยว่าเยลล์เนี่ยสงบตัวลงไปอ่อนกำลังลงไปเพราะการอดอาหารเป็นเครื่องสนับสนุนและสติเขาตั้งขึ้นได้โดยสะดวกยิ่งกว่าเวลาปกติเราเห็นได้ชัดผลของ การระมัดระวังรักษาตัวเองตลอดเวลาโดด้วยวิธีการอดทหารทำให้จิตแน่วแน่ลงไปโดยลําดับแล้วเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ภายในตัวเองจิตไม่รวมก็พระสงบอยู่แล้วไม่ไม่รวมเป็นแนวแน่เป็นอันเดียวก็ตามแต่มันสงบอยู่ภายในตัวเองมันก็รื่นเดิงอยู่ภายในนั้นนี่ขั้นที่เราฝึกขาดเบื้องต้นมันต้องได้ทําหนักมากอย่างนี้หนักจริงๆ แต่มีดีอย่างหนึ่งถึงจะว่านิสัย ว, า, ย า, วาตาาหยาบก็ตามแต่ความไม่ถอยนั้นรู้สึกว่าเด่นอยู่ตลอดเวลายังไงก็ไม่ถอยได้ไม่ได้วิธีนี้จะเอาวิธีนั้นไม่ได้วิธีนั้นจะเอาวิธีนี้มีแต่จะเอาจะเอาคําว่าจะถอยไม่มีนี่ดีอย่างหนึ่งถ้าว่าหยาบก็น่าชมตรงนี้หากว่าอันนี้มีลดดอนลงไปความที่ว่าจะเอาเนี่ยถอยหลังกรูดลงไปแล้วเสร็จไปไม่รอดเลย นี่ไม่ถอยเรงยึดหลักได้ว่าการอดอาหารนี่เป็นวิธีสำคัญวิธีหนึ่งในการฝึกหัดตนเองเพื่อได้หลักได้เกียร์คือจิตเข้าสู่ความสงบจิตเป็นสมาธิซึ่งเราเคยเรียนตามตำหนักตราก็เรียนมาเสียจนปากแฉะแต่ก็ไม่เห็นผลบัดนี้ได้เห็นแล้วด้วยวิธีการอันนี้น่ะก็จับได้ยึดได้ ที่นี้เมื่อยึดใต้อย่างนั้นเราจะไปเดินทางไหนทางไหนก็ไปเหมือนทางนี้ด้วยเหตุ น, นี้จึงจําเป็นต้องบึกต้องบืนต้องฝ่าต้องฝืนทุกข์ก็ยอมทุกข์ทรมานขนาดไหนก็ยอมทรมานนั้นเวลาอดไปหลายวันแล้วเนี่ยเดินจงกรมไม่ได้กี่ตลกนะจะ ก, ก้าวขาวไม่ออกเพราะ อ, อ่อนไปหมดแต่สำคัญที่ภายในใจิตใจมันต่างกันคนละโลก ใจนั้นสว่างกระจ่างแจ้งเพียงสมาธิเท่านั้นก็พออยู่พอกินสว่างกระจ่างแจ้งของสมาธินี้ก็ไม่ย่อยเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเห็นธรรมที่สูงกว่านี้ละเอียดกว่านี้เราเห็นเพียงแค่จิตสงบเพราะเราจิตเราไม่เคยสงบเพียงเท่านี้เราก็พออยู่พอกินลื่นเริงบันเทิงในความสงบเย็ยนใจ น, นี้นี่แหละเป็นเหตุที่จะขยับไปเรื่อยๆเลยขาจนจะก้าวไม่ออกแล้ว แต่ส่วนจิตนี้ยิ่งเด่นเหมือนจะหอเหินเดินฟ้านั่นมันต่างกันหน่อยนี่เองที่ทําให้เราได้ตะเกียกตะกายทั้งที่ทู้กข์ลำบากแทบเป็นแทบตายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ความที่จะเอาหักไม่ถอยตอนเองมันถึงได้หมุนกันไปหมุนกไปจากนั้นก็ตั้งหลักได้นั่นนี่แหละความตั้งหลักได้นี่ก็เพราะความตะเกียกตะกายนะไม่ใช่ความถุกเอาเผากิน ไม่เกิดความได้เร่ร่อนตามสบายตามสบายกินสบายนอนสบายอยู่สบายไปสบายทําความเพียรเดินสบายอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดนั่งก็นั่งสบายนั่งอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดอยากนอนเมื่อไรก็นอนไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่อย่างนี้แต่แบบเอาเป็นเอาตายแล้วก็ตั้งขึ้นมาได้จนถึงขั้นที่ว่าแน่ใจว่าจิตใจนี้มีหลัก เมื่อจิตใจมีหลักความรู้ความเด่นความหนาแ น, น่นมั่นคงฝังอยู่ภายในหัวใจของเราเนี่ยดังที่เคยพูดในทํากลางอกนี่แหละแมได้อยู่ที่ไหนเห็นประจักษ์สว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็อยู่ในทํากลางอกนี่แหละนี่แหละเลยเห็นชัดอย่างนั้นจะให้ไปว่าที่ไหนเวลาเราเรียนหนังสือจําความจํานั้นทํางานอยู่ที่มันสมองหรืออยู่ที่สมอง จำซะจนกระทั่งสมองทื่อไม่ทํางานไม่ยอมจําให้เลยก็รู้จนงงหมดเราก็รู้ว่าทํางานอยู่บนสมองสมองทื่อหมดแต่เวลาทําความภาคเพลยนจิตใ จ, จได้รับความสมบงบผ่มเย็นมาปรากฏในถ้ำกลางหัวอกของเหล่านี้อย่างเด่นชัดตั้งแต่ขั้นขึ้นพื้นของจิตจนกระทั่งถึงสุดความสามารถไม่ได้นอกเหนือไปจากถ้ำกลางอกนี้เลยนานเห็นได้ชัดไม่มีใครบอกก็รู้ เป็นสรรทิฏฐิโกลู้ด้วยดั่งพันเจ้าของนี่เราพูดถึงเรื่องวิธีการทรมานตนเองเราอย่าเอาความยากความลําบากเข้ามาเป็นอุปสรรคมากกีดมาขวางมันจะตีแข้งตีขาเราให้หักไปหมดก้าวขาไม่ออกทุกข์ขนาดไหนให้เราเห็นว่าธรรมชาติที่หลุดพ้นจากทุกนั้นเป็นของเลิศของวิเศษขนาดไหนเอานั้นมาเป็นอารมณ์ของใจใจจริงจะไม่ท้อถอยเมื่อตั้งหลักได้อย่างนี้แล้ว เราก็พอฟัดพอเบียงแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากลาบากเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าลำบากพื่อความมีต้นทุนเราหิหวโหยมาอาหารของเราที่มีอยู่เป็นพื้นได้แก่สมาธิเราก็มีเราก็สบายถึงแกทุกข์ยากลำบา ก, พกาเพราะการทัเกียรติกกายสำหรับผลประโยชน์ในการต่อไปเราก็ยอมรับแต่เวลาถอย เข้ามาก็มีที่มีหลักมีเกณฑ์มีที่พึ่งมีที่เกาะเนี่ยก็พอฟัดพอเวียงกันไปเรื่อยตั้งแต่วันออกปฏิบัติสำหรับผมเองนี่หาความสะดวกสบายไม่ได้ว่าอย่างนี้เลยเต็มหัวใจมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีเวลาที่จะสะดวกสบายดูสิ่งใดฟังอันใดสิ่งที่มาสัมปัสสัมพันธ์ได ดูได้ยินได้ฟังได้คิดได้อ่านทําตามอิสระไม่เคยมีมีจะต้องตื้อต้องบังคับเอาไว้ทางนั้นเพราะสิ่งทางเดินของมันมันเป็นทางเดินของกิเลสทั้งนั้นออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันออกไปเพื่อกิเลสขนกิเลสเข้ามาเผาเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจริงไม่ยอมให้ออกสมกับว่าต่อสู้กันจัดฆ่ากันะยอมให้ออกไปไหนให้มันเห็นกันชัดชอยู่ภายในจิตใจนี่ เมื่อกิตมีหลักเป็นสมาธิแล้วใจก็สบายเยน็นนี่เราพูดกล่าวที่ว่าเราไม่ต้องพูดไปให้ละเอียดลราออะไรมากนกะเพราะเคยพูดให้เป็นคติแก่หมู่เพื่อนมากแล้วเมื่อกิตมีความสงมบรเย็นควรแก่าการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วยาอยู่เฉยให้หาอุบายคิดอ่านใจ ต, ตรองเพราะปัญญาในขั้นเริ่มแรกนี้ ต้องได้อาศัยการฉุดกันลากออกไปเช่นเดียวกับเราฉุดลากจิตเข้าสู่สมาธินั่นแหละไม่มีอะไรผิดกันเพราะมีความเพลินอยู่ในสมาธิเพราะเนื่องจากสมาธินี้เป็นความสุขอันหนึ่งให้อยู่ด้วยความสงบแน่วอยู่นั้นให้อยู่ทั้งวันก็อยู่ได้สบายไม่มีอะไรยุ่งเลยรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสอารมณ์ต่างๆไม่เข้ามายุ่งกวนใจมีอารมณ์อันเดียวเอกขตาลง อยู่โดยลําพังแห่งความรู้ที่สงบตัวอยู่นั่นเท่านั้นก็พออยู่พอกินแล้วถ้าไม่มีขั้นปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เมื่อออกทางด้านปัญญาที่ทแรกต้องได้ถูได้ไถต้องสุดต้องลากพาคิดพาอ่านแต่กลางดูธาตุดูขันธ์ทั้งตนนี้ละ่ะที่มันผูก ม, มันมัดจิตใจไว้ไม่ให้เห็นความจริงความจริงพระพุทธเจ้าท่านรู้มากขนาดไหนยังพยานลงไปเท่านี้เรื่องทั้งหลาย สามแดนโลกถาตนี้มีสิ่งใดปิดบังขยานของพระพุทธเจ้าได้พอที่จะให้พระองค์ทรงทราบในสภาวะทั้งหลายพูดง่ายๆเราเอาถึงเราชัดโลกผู้ที่เสวยกรรมอยู่นั้นน่ะทั่วโลกดินแดนนรกก็อัดแน่นไม่ว่าลุ่มในลุ่มใดอัดแน่นอยู่ด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมประเภทนั้นๆพ้ น, น, นจากนรกมาหรือผู้ที่ไม่ได้ตกนรกก็เสวยกรรมอยู่ตามประเภทของตนของต น, งต น, งตนกรรมหนักกรรมเบากรำร ม, มากกำน้อยขนาดไหน เต็มไปหมดถ้าว่าเราจะพูดเป็นด้านวัตถุนี่ยัวย่วเยียวยเยีย่ ย, ยหาที่อยู่หาที่พักที่จะไม่มันโดนกับจิตวิญญาณของสัตว์นี้ไม่ได้เลยเป็นยังไงเนี่ยพยานของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นทรงทราบไ ป, ปหมดตลอดทั่วถึงในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดดอนใดที่สัตว์ทั้งหลายจะไม่เกิดไม่ตายจะไม่เสวยทุกความลําบากลําบนเต็มไปหมดด้วยความสวยกรรมของสัตว์ทั้งหลาย เนื่องมาจากการเกิดการตายมีอวิชาเป็นสําคัญที่ผลักสาสให้เกิดแล้วการได้รับความดีความชั่วนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องกรรมการทําดีต้องให้ผลเป็นอย่างดีไม่สงสัยเป็นอื่นเช่นเดียวกับการทําบาปต้องเป็นบาปน่ะทําดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วเป็นหลักตายตัวใครจะมาแก้ไขมาลบล้างไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจา้าทุกๆพระองค์ไม่ปรากฏวว่าพระพุทธเจา้าพระองค์ใดลบล้างบาป ไม่ให้มีในาัตว์เลยให้มีแต่บุญอย่างเดียวอย่างนี้พระองค์ทําไม่ได้จึงต้องสอนอุบายวิธีการบอกอันใดที่ชั่วช้าดำมกยาธรำถ้าทําแล้วผลจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาคือผ ล, ผลไม่พึงปรารถนานหนักเบามากน้อยจะเกิดขึ้นจากการการทำของตอนนั่นแหละนะแล้วให้สอนในตั้งแต่สร้างคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีมันไม่อยากสร้างเพราะกิเดชไม่ให้สร้างเวลาแรกทีแรกก็ต้องในฝืนกับจิเดช เอาหนักเอาหนาเหมือนกันเพราะกิเลสนี้เมื่อเราจะทําความดีก็คือก็มหมายความว่าเราจะออกจากอํานาจวาสนาหรือเงื้อมือของมันมันไม่อยากให้ออกเพราะมันเคยครองจิต ด, ดวงนี้มากี่กับกี่กันแล้วมันจะครองจิต ด, ดวงนี้ตลอดไปไม่ยอมให้จิต ด, ดวงนี้มีอํานาจวาสนาจยกล้าสามารถที่จะหลุดลอยไปจากมือมันเลยเพราะฉะนั้นมันถึงจิตถึงขวางถึงคัดถึงคา้านด้วยเหตุนี้เองการทุ่มทำคุณงามความดีประเภทต่างๆจึงต้องถือว่า ต้งตงว่ายากประดบาบากและดีไม่ดีเห็แล้วกับไม่อยากทํานั่นสิ่งนี้มีแต่เรื่องของกิเลสจีดกันเอาไว้ทั้งนั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้นั่นสิต่อเมื่อสติปัญญาของเราได้มีความแก่กล้าสามารถแล้วปิดไปอยู่เหนือขึ้นไปเหนือขึ้นไปมองลงมาเห็นหมดมองลงมาเห็นหมดระดับไหนระดับไหนของกิเลสประเภทใดหลอกหลวงโสสัตว์โลกอย่างในบ้างกิเลสประเภทใดหลอกหลวงสัตว์โลกด้วยกลนุบายใดบ้างใด้บ้างใดบ้า ง, างพูดยังไงนะรู้หมดรู้หมดรู้หมดนั่น เวลาถึงขั้นเหนือกิเลสแล้วต้องรู้เรื่องของกลมายาของิเลสไม่งั้นฆ่ากิเลสได้ยังไงไม่เหนือกิเลสข่ากิเลสได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นและพยานอย่างทซาของพระองค์นั้นฟังแต่ว่าโล ก, กวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดจะปิดบางลี้ลับในพยานหูเลยเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไม่ เ, เอีงอย่างที่ว่ามานี่เป็นแต่เพียงว่าพระทำอันใดที่พระองค์ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกพระองค์ก็นำสิ่งนั้นมาแสดง นำสิ่งนี้มาสแสดงเพื่อสัตว์โลกประเภทนั้นประเภทนั้นเพราะมันต่างๆกันในสัตว์ทั้งหลายเช่นดังสอนมนุษย์ทำประเภทใดที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ท่านก็นำมาสอนพวกเราดังที่บัญญัติไว้เพื่อมนุษย์ทั้งหลายเวลานี้ทำประเภทใดที่จะควรสอนเทวดาอินพรมท่านก็ทรงสอนเทวดาอินพรมเป็นประเภทประเภทประเภทแห่งอัตแห่งธรรมตามอุปนิสัยของท่าน อินอของเทวดาอินผมทั้งหลายจะนับได้ตลอดถึงพวกยักษ์พวกเปรตพวกผีมีประเภทนับไม่ได้เลยในโลกนี้ที่ควรแกบพระองค์จะทงสงเคราะ์โดยวิธีใดพระองค์ก็สงเคราะห์ตามด้วยวิธีนั้นๆจึงไม่ซ้ํากันกับธรรมเหล่านั้นที่จะมาสอนมนุษย์เหล่าเราอยากเข้าใจว่ามนุษย์ดานี้เป็นเจ้าของแห่งธรรมแต่ผู้เดียวสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีทางที่จะรับจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันแล้ว คำว่ากรรมละ่ะก็เหมือนกันเช่นนั้นกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่ทุกตัวสัตว์ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยพระพุทธนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนั่นหมายถึงกรรมทางใจไม่ติดตามท่านได้แต่กรรมในส่วนวิบากที่จะต้องรับนั้นยอมรับดังที่เห็นกันดังนั้นแต่มันไม่เข้าถึงพระไทยัยถึงใจท่านท่านเึงเรียกว่าไม่ท่านไม่รับเสวยกรรมทั้งหลายแม้จะมีมากมีน้อยก็ไม่ได้เสวยภายในใจิตใจต่างกันที่ตรงนี้นี่แหละการสั่งสอนจัดโลก พระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนอย่างเน้นหนักอย่างกว้างขวางมากที่สุดอธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสารโลกที่มนุษย์เราไม่ได้รู้ได้เห็นเลยไม่เกี่ยวข้งของกับมนุษย์เราเลยมีมากขนาดไหนมากยิ่งกว่าที่สอนมนุษย์นี้อีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่าอีกแต่พระองค์ไม่ได้นํามาสอนพวกเราเราจึงเป็นเหมือนว่าเรามีธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อันนี้เป็นเรื่องของสอนมนุษย์สอน พวกสัตว์ที่นอกจากมนุษย์ไปที่ควรแก่ฐานะของเขาจะรับได้มากน้อยอย่างไรพระองค์ทรงสงเคราะห์ตามฐานะของเขาที่จะรับได้มากน้อยดังนั้นเต็มโลกธาตุนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาสู่โลกแต่ละพระองค์พระองค์นี้จึงเป็นประโยชน์แก่โลกย่างมหาศาลไม่มีประมาณไม่มีใครเป็นคู่แข่งได้เลยแล้วก็ยากด้วยการที่ จ, าา จ, จะมาตัดรูปเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละลาความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ เป็นแต่เพียงว่าท่านไม่มาประกาศสอนอย่างที่ว่าดัางนั้นแหละว่าเราจะถาคน ก, ก็บอกว่าโลกวิธูก็รู้แจ้งหมดแล้วนะ่ะจะให้ว่าอะอีกว่านำศัตว์ธรรมะมาสอนเฉพาะมนุษย์นี่ทำพวกเท ว, เทวดาหรือชัตต่างๆเราไมา่คือพระองค์ไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยรับสั่งหรือไม่ประกาศออกมานอกจากสอนพวกเทวดา ในแง่มนุษย์ที่จะยึดถือเอามาปฏิบัติได้เช่นมงคลสามสิบแปดประการเป็นต้นนี่นี่ท่านก็สอนเทวดาแต่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ด้วยท่านก็นํามาสอนมนุษย์อันในที่เป็นประโยชน์แก่พวกเทพพวกอินรฟงทั้งหลายล้วนๆท่านจะไม่นํามาสอนท่านไม่นํามาสอนเลยนี่มีมากขนาดไหนและสัตว์โลกที่เต็มอยู่ในโลกธานุคือสามโลกธาตุได้แก่อะไรรูปภพ กามาพบอปบะพบอรูปรพบหรือว่าการมโลกรูปโรอรูปรโรคเนี่ยทั้งสามแดนโลกกับฐานี้พระยานของพระองค์อย่างทราบไปตลอดทั่วถึงเนื้อจะสงเคราะห์ในการที่จะสงเคราะห์สัตวโลกขนาดไหนเพียงมากน้อยเพียงไรนั้นมันเป็นพุทธวิสัยคือเป็นพระวิสัยของพระเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นใครจะไปยื้อแย่งแข่งดีหรือจะไปเทียบไปเคียมไปคาดไปหมายไปด้นไปเดา ไปตัดคะแนนให้คะแนนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เป็นเรื่องของวิ่งเข้าโดยเฉพาะนี่พระองค์ก็ทรงรอบครอบหมดทรงรับภาระหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละพูดถึงเรื่องพยานความอย่างแท้ของพระพุทธเจ้าเมื่อถึงขั้นรู้ท่านรู้อย่างนั้นะภาษาวกทั้งหลายไม่ได้รู้แบบพระพุทธเจ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามแต่เป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานกันได้อย่างเต็มที่ไม่มีทางสงสัยเช่นเดียวกัน ท่านก็ทราบอีกเหมือนกันเนี่ยพอเป็นเครื่องเทียบเคียงกันได้กว้างแคบขนาดไหนบรรดาสาวกเปิดหัวใจออกมาแล้วกิเลสที่มันปิดมันบังหุ้มหอบได้กระจายตัวไปหมดแล้วทําไมจะไม่รู้จิตที่ควรรู้อย่างเดียวกันเป็นแต่เพียงมารู้กวา้างรู้แคบรู้ลึกตื้นหยาดละเอียดต่างกันดังนั้นเรื่องไม่รู้เป็นไปไม่ได้ต้องรู้รู้น่นเหมือนกับเรื่องค่ า, าเรื่องค่ากิเลสกิเลสค่าลงในหัวใจจนกระทั่งไม่มีเหลือเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกเหมือนกันหมด เป็นเช่นเดียวกับพระุทธเจ้านี่เป็นวิสัยเสมอกันท่านวัดนาติเซยูวปาปิยู่บรรดาท่านพุ้บริสุทธิ์แล้วนะแต่พรุทธเจ้าออกมาถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีคําว่ายิ่งว่าย่อนต่างกันเลยอันนี้เสมอกันแต่พุทธวิสัยที่จะทรงใช้ประโยชน์เพื่อโลกเพื่อสงสารกับสาวกกว่วิสัยนั้นต่างกันหากเป็นเครื่องยืนยันกันได้ว่าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นได้นี่ยนี่แหละทำกินนํามาสอนโลกเป็นอย่างไรพวกมันปรากฏไหนในหัวใจของพวกเรา มันไม่ปรากฏก็พอมีสิ่งที่ปิดบังลี้ลับไวน้นี่แม้แต่เรื่องที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตัวเองนี้ยังแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกละวางไม่ได้จะว่าอย่างไงเราจะพูดอะไรนอ ก, น, อกนาน า, นาทีไกลแสนไกลยิ่งกว่านี้ดูที่ตาหูจมูมกเลี้ยงกายจิตที่สัมผัสสัมพันธ์นกับสิ่งใดมีแต่เรื่องของกิเลสมันจับมันจองไว้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยว่าไม่เป็นกิเลสนี่เมื่อเป็นฉะนั้นเราจะหาสมาธิหาปัญญาหายหมุดุุขึ้นมาจากไหนถ้าไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ดังที่กล่าวมัน เอาหนักขนาดไหนก็ให้รู้ว่านิสัยวาสนาของเรามันเป็นอย่างนี้ลูกนาของเราสวนของเรามันรกกรุงรังมันทํายากก็เป็นนาของเราจะไปทํานาของอื่นที่เขาทำได้ง่ายได้อย่างไรต้องทํานาของเราสวนของเรางานของเรางานของเรายากก็มันเป็นเรื่องของเราที่จะต้องทํำให้คนอื่นเขามาเปลี่ยนมือได้อย่างไงเราก็ต้องทําอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราว่าเป็นกิเลสของเราก็ถูกเราก็ต้องแก้เอาถอดถอนออก ยากเราก็ต้องสู้ยากก็ต้องทําง่ายก็ต้องทําการยากการง่ายนี้ก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะยากตลอดไปถึงระยะที่มันยากมันก็ยากเหมือนกับว่าจะไม่มีงานการง่ายเลยแต่ถึงระยะที่จะง่ายก็ง่ายเนี่ยงานของเราก็เหมือนการสวนเราก็เหมือนกันงานของเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะยากตลอดไปถึงวนที่ง่ายก็มันก็มีสับปูกันไปนั่นแหละนี่การประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระี่เดสก็ให้พึงทําให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้สมกับว่า เรานี้แบกกองทุกมานานทะาขนาดไหนควรจะตั้งความเฉลหลาบเขาไว้แม้เราไม่เคยรู้พระพุทธ เ, เจ้าก็รู้มาก่อนแล้วตั้งแต่ทรงบรรลุบุพเพนิวาสารวิญญาณในปฐมวานวันคืนตรัสจะรู้ดวนหกพันนันก็ประกาศตั้งวานให้ทราบแล้วเป็นยังไงดวงดวงิญญาณของพระพุทธเจ้าเคยเกิดที่ไหนที่ไหนบ้างมากขนาดไหน พระ อ, องค์ทรงรู้ตลอดทั่วถึงแล้วล้วนแล้วตั้งแต่รู้ความหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของพระองค์เองจึงได้มาพิจารณาถึงหนึ่งสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรเรื่องจิตวิญญาณของเรามันเคยเกิดเค ย, เคยตายมานี้จนนับมาได้แล้วถ้าจะถ้าจะพูดแบบวโลกของเราแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเราไม่ต้องไปพูดว่าท่านนับได้ไมาได้เพราะว่ามีใครที่จะเกิด น, นพระพุทธเจ้าพอเวลาพิจารณาดูสั ต, ตว์ตระโลกในอันดับที่สองคือมัชชิมายามเวลาได้ บรรลุจตุปาฏยานแล้วก็เลี้งดูสัตว์ทั้งหลายโอ้โหว่างเงันเลยถ้าจะพูดอย่างพวกเราทั้งหลายนี่ัยหายเลยจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงละดว ง, ดวงนี้ล้วนแล้วตั้งแต่หาบพบหาบชาติแบกกองทุกมาจนนับไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ทราบว่าต้นของวิญญาณตรงนี้มาจากไหนและปลายของวิญญาณตรงนี้จะพิสิทนสุดยุติที่ตรงไหนแบกไปแบกมาหามไปหามมายู่หมุนไปหมุนมาด้วยความทุกข์ความทรมานมากน้อยอยู่อย่างนี้ปี่กับปี่กั้นมาแล้ว และเมื่อเราจะผ่านพ้นไปได้มีมากขนาดไหนฟังสินี่พระพุทธเจ้าเวลาได้ตัดทะลุแล้วจึงสอนโลกอย่างเต็มพระไทยถ้าเมตตาก็สุดส่วนการแนะนำสั่งสอนโดยวิธีการใดๆไม่มีใครเกินพระพุเทธเจ้าเรงการสอนโลกนี่ที่จะให้รับประโยชน์แก่โลกไม่มีคําว่าอัดว่าอันคําว่าเน้นว่าหนักว่าเผ็ดว่าร้อนว่าฉลาดแลม้มผมไม่มีใครเกินพระพุเทธเจ้าในอุบายการสอนโลกใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุเทธเจ้านั่นฟังสิเพราะอะไรเนี่ย เพาะสิงที่จะแก้สิ่งที่จะถอดสะถอนมันมันมีอย่างไรบ้างพระองค์ก็ต้องแนะแนวทางให้ตามเหตุตามผลของมันที่เป็นไปเนี่ยจึงต้องยากเขาพูดถึงเรื่องยากแต่พระองค์ก็พอพระไทยเนื่องจากพระเมตตานี้พระจิต ท, ทั้งดวงที่บริสุทธิ์แล้วเราจะเรียกว่าเป็นพระเมตตาล้วนๆไปเสียหมดก็ไม่มีอะไรจะผิดเพราะธรรมา ของกิจที่บริสุทธิ์เต็มทีแล้วไม่มีอะไรที่จะอ่อนนิ่มยิ่งกว่ากิจที่บริสุทธิ์เข้าได้หมดไม่มีคําว่าสูงว่าต่ําว่าสัตว์ว่าบุคคลสงสารได้หมดทุกเม็ดหินเม็ดทรายเลยนั้นไปอีกจะไหไหนั่นแหะอํานาจแห่งความเมตตาสงสารยิ่งไม่มีคําว่าถือพระองค์คําำนาถือตนถือตัวนี้เพราะอำนาจแห่งความเมตตานี้ถ้าภาษาเราอยเรียกร้อง ให้ต้องมีเจลใจให้ต้องสงสารอยู่นั้นตลอดไปถ้าลราเที่ยบก็บเหมือนกับลูกตัวแดงๆของเราเนี่ยมันร้องหม่มร้องไห้จะเอาอะไรนี่พ่อแม่นี่ไม่มีสนใจมันจะเด็กนี่จะดุจะดา่าจะร้องหม่มร้องไห้จะทุบจะตีพ่อแม่จะกัดจะหยิดจะควานอะไรก็ตามพ่อแม่ไม่ไสนใจมีแต่จะเอาอะไรอะไรมิจจะโอ้โอโ อ, โอเลื่อยไปนี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเพราะพระเมตตานี่มีแต่โอ้โอ้ทางล้านกับสัตว์ต่างหลายเราจะถืพอพระองค์ได้อย่างไร นี่นอํำ น, นาจแห่งความเมตตาที่เป็นจัดออกมาจากใจที่บริสุทธิ์นี่ได้เบื้องต้นได้อธิบายถึงเรื่องสมาธิภาวนานแล้วพิจารณาถึงด้านปัญญาให้ภากันใช้ทางด้านปัญญาให้มากอย่าดูเฉยเฉยให้หาวบายใช้คิดธาตุฐานนี้ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องเรื่องอันนี้เลยกระจายไปนอกนู้นไปเช่นเรื่องว่ามันติดอะไรน่นที่ว่านะ มันจีดมันจางไหมมันอิ่มมันพอไหมนะ่ะก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่มีความอิ่มพอภาิเลิพธาเดินแล้วตั้งกับตั้งกันดังที่เคยมาเป็นมานี้ไม่มีคําว่าอิ่มว่าพอจึงต้องให้ใช้ปัญญาพาเดินเข้าสู่ความจริงแล้วตัดกันขาดสะบั้นลงไปลงไปดูให้เห็นชัดเจนธาตุขันรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันอะไรมันคืออะไรเนี่ยตัวของเรานี้ก็เต็มอยู่แล้วกับสิ่งเหล่านี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีเต็มอยู่ในหัวตะในตัวของเราแล้วดูให้มันชัดเจนลงไปสิ อันนี้จ้างตุ๊ขาตาขั่นประกาศกลางวันอย่างนิ้ตะกิจไม่ยอมรับอย่งนี้ให้พิจารณาตรงนี้เรียกว่าปัญญาตั้งหน้าตั้งตาทํางานเราอย่าไปคาดเวลาเวลาอย่าไปนับอ่านเที่ยวของเราว่าเดี๋พิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้เอาพิจารณาจนกระทั่งรู้เพียงกระทั่งเห็นเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจะค่อยจางไปจางไปในปรรดาความมิดมั่นถือมั่นในสิ่งเท่างหร่จางไปจางไปสุดท้ายก็เห็นได้ชัดว่าละได้ขาดได้เนี่ย ดังที่ว่าขันตั้งห้านี่มันเป็นเรามาสักกี่กับกี่การถ้าจะนับเป็นกลับเป็นการให้มันขันนี่แต่มันตั้งแต่วันเกิดมาเนี่ยเป็นยังไงอืมันถือมาเท่าไหร่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราทางนั้นใครไม่ว่ามันก็ว่าเอาเองว่าไงทำมาวุ่นเจ้าประกาศตั้งวันอยู่มันก็ไม่ยอมเชื่อมันก็เชื่อแต่เรื่องของกิเลสคืออุปทานความดีมันถือมันนั่นเองเพราะฉะนั้นจริงใช้ปัญญาหนุนเข้าไปหมุนเข้าไปตรงที่ว่านั้นให้มันแตกกระจายหมด รูปกระจายไปส่หมดทั้งกองรูปนี้คืออะไรก็คือป่าช้าผีดิบเราเฝนั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่กับป่าช้าผีดิบความรู้สังอยู่ในป่าช้าผีดิบทั้งวันทั้งคืนเราทำไมาจึงภูมิใจว่านี้เป็นเรานี่เป็นของเรามันเราที่ตรงไหนมันป่าช้าผีดิบหนังหุ่มกระดูกหอกกระดูหอสิ่งโซกระปกุกรกตรุงรังอยู่ภายในจิตใจถ้าเปิดออกมาแล้วเราดูได้อย่างไงแม่ตัวของเราเองจะดูเรามันก็ดูไม่ได้แเราจะบ้า จ, จะปคนอื่นจะมาดูเลยมันเป็นยังไงตใจของเรามันถึงไม่เห็นนีดูอย่างนั้นสิ ปัญญาดุเราอยู่กั บ, บอาสุภาษสุพังยู่กับปรชาช้าผีดิบจนกระทั่งวันตั้งตะวันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายเราจะจากกันไม่ได้กับปรชาช้าผีดิบนี่เรายังไม่รู้ว่าเป็นปราชาพีดิบหรือเรายังมาเสกสรรตั้นยอตามพ่เดศหลอกลวงหรือว่านี้เป็นเรานี้เป็นของเรามันอะไรตรงไหนเป็นเราเราไม่ละอายผมผนและฟันหนังมังหรือเขาว่าเขาเป็นเราไหมเนื้อเอ็นกระดูกกับไตเไตปุงอวัยวะน้อใหญ่นี้เขาว่าเขาเป็นเราเขารับทราบว่าเขาเป็นเราเป็นของเราไหม มีแต่เราเป็นคนบน่นบ้าอยู่คนเดียวอ้นนี้เป็นเรานั่นเป็นของเราอยู่ลึกๆๆภายในหัวใจนั้นแหละเนี่ยปัญญาจนแทรกเข้ามาได้เพราะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาขุดลงไปหลายครั้งหลายผขุดลงไปมันจะถึงความจริงเมื่อถึงความจริงแล้วว่าหนังก็สักแต่ว่าเนี่ยเนื้อเอ็นกระดูกก็สักแต่ว่าเนี่ยหมดอวัยวะนี้สักแต่ว่าทั้งนั้นเขาเป็นเป็ น, ปน positive, ความจริงของเขาอันหนึ่งเขาไม่ได้ว่าเป็นเราเป็นของเราและเขาไม่ได้รับทราบความหมายของเราว่าไปหมายเขาอย่างไรและเขาก็ไม่รับทราบความหมายของเขาด้วย นั่นพิจารณาลงไปถึงความจริงทําไมมันจะไม่ปล่อยเมื่อถึงความจริงแล้วปล่อยทั้งนั้นอยู่ไม่ได้นี่นี่ขั้นรูปขัน้นเวทนาสัญญาสถานวิญญาณก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันอย่างนี้แหละลงปัญญาได้อย่างเข้าถึงไหนความจริงต้องปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเมื่อปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มหัวใจแล้วจะทนยืนมั่นถือมั่นได้อย่างไรเมื่อถึงขั้นที่สลัดแล้วเต็มที่แล้วปลอไม่ปล่อยไม่ได้นั่นก็ผึ่งเดียวท น, นั้นดิดีผึงออกมามันจะเหลืออะไรจริน่น อันนี้เราแต่ก่อนเราก็เคยพูดก่อนๆนั่นเมื่อมันถอนออกจากนี้ก็ไปแล้วก็ไปรวมตัวอยู่ที่ปิดดงเดียวคื อ, อวิชาเพราะติดตัดปีงตัดก้านตัดแขนงไปหมดทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปด้วยปัญญาถูกปัญญาตัดเข้าไปรูปเสียงตรีด้วรูปเวทนาสัญญาสังขารมีญาณนี้เป็นเครื่องใช้เป็นทางเดินของอวิชชา ตัดเข้าไปตัดเข้าไปด้วยปัญญาพิจารณาแล้วปล่อยวางเข้าไปปล่อยวางเข้าไปเท่ากับว่าตัดให้ขาดกันเข้าไปความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้หมดไปหมดไปไปจกนกระทั่งเข้าถึงจิตหนึ่งเข้าถึงกิตแล้วแล้วเป็นยังไงที่นี่อ่ะอวิชชานี้ยิ่งเป็นของละเอียดมากที่สุดเราจรึงเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเกินกรรษัตริย์วัตจิตคืออวิชชาอันนั้นสําคัญมากทีเดียวในธรรมบทท่านกล่าวว่าพระรรพัฒละบีดังพิเกเวผมก็ลืมท่านในคาถาที่ท่าน ว่าแล้วนั่นอ่ะทั้งๆที่อยู่ในหลักวิชาประเด็นสามประโยชนนั่นเนี่ยมาดูก่อนทุกสื่อทั้งหลายจิตเดิมทองใสแต่อายใจยี่เด็กที่จอนมาคุกเข้าวกันก็ยิ่งกลายเป็นผู้เด็กว่เป็นจัดวิจัยยี่เศร้าหม อ, องไปเสมอนะถ้าถ้าถ้ า, า, าไม่ได้บอกในคำ ว, ว่าจิตทองใสคืออะไรเพราะฉะนั้นผู้เรียนเข้าไปตรงนี้จะต้องได้ถกกันอย่างเต็มที่ถกกแล้วก็ไม่ได้ไอะไร น้ำลายก็หมดไปเ ป, เปล่าไม่เห็นได้ความเข้าใจอะไเลยเพราะไม่ได้ปฏิบัตินั่นพ่อได้ปฏิบัติเข้าไปเท่านั้นนี่หลาไล่เข้าไปอย่างนี้ที่ว่านไล่เข้าไปตามหลักความจริงเจอเข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปปล่อยวางเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตจริงๆที่แล้วก็ไม่พ้นคําว่าตัวผ่องใสนั่นคืออะไร น, ะนั่นเราไปติดจิตตรงนั้นเพราะอันนี้ละเอียดมากนี่เรากริย์ของกิเลสทั้งหลายฟังจัวัดจอมกษัตริย์วัตจักรอันนี้ละเอียดมากที่สุด แม่มห า, ศ า, ศาสติมหาปัญญายังต้องงงยังต้องติดจนได้ฟังสิแต่แต่ว่านี่เราพูดถึงขณะที่ติดไม่ใช่ว่าไม่ติดพอเป็นมห า, าสติมหาปัญญาขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้ขาดไป บ, บ้านไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นขาดไปในส่วนที่ขาดอันนี้ยังไม่ขาดะยังหลอกสติมห า, าสติมหาปัญญาได้อย่างสบายรักษาเข้มงวดขวดขันอะไรมาแตะมาต้องมาได้กรรษัตริย์วัตถุอย่างนี้เพราะถ้าไม่รู้เนี่ยเนื่องว่านั่นเป็นของจริงนั่นเป็นของเลือดของกระเสือกพอแล้ว ก็เฝ้าก็รักษาอยู่นั้นด้วยความโภกพอใจอ้อยอิงนั่นบังแห่ไม่มีอะไรจะเกินนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความสุขความสบายความอัศจรรย์ก็ไม่มีประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกินเมื่อยังไม่ผ่านมันไปวันนี้เท่านั้นนี่เท่านั้นก็อยู่ตรงนั้นแต่เพราะเหตุไรคำพหุมามหาปัญญาถึงจะหลงก็ตามหลงกลหรือของธรรมชาตินี้ก็ตาม แต่ความสังเกตสอดรู้จะมีอยู่ในขณะเดียวกันขณะเดียวกันธรร ม, ามาชาติที่ที่ขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของตนซึ่งหยากหรือละเอียดขนาดไหนต้องเปลี่ยนแปลงตามตา ม, ตามนั้นเช่นอวิชาเป็นของที่ละเอียดมากในจอมวัตจักรก็คือวิชาเพราะฉะนั้นความละเอียดมากจึงไปรวมอยู่ที่นั่นความละเอียดของสมมุติของอวิชาจึงไปรวมอยู่ที่ความป่องใสอันนั้น ทีนี้ผ่องใสขนาดไหนก็ผ่องใสความเปลี่ยนแปลงไม่พ้นจะต้องมีจนได้นานนั่ น, นแหละเมื่อสติปัญญาสติมหาปัญญาเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาทั้งรักษาทั้งสังเกตก็ย่อมจะทราบได้ในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินั้นเช่นมีความเศร้าหมองความเศร้าหมองนี้หมายถึงว่าความเปลี่ยนแปลงจะนิดหนึ่งก็ต่างเพราะธรรมชาตินั้นละเอียดความเปลี่ยนแปลงจะละเอียดมากแต่ก็ไม่พ้นปัญญาหนีปัญญาเปไม่พ้น ก็จะต้องทราบความเศร้าหมองความป่องใสความสุขความทุกข์มันจะมีมาตามๆกันกับความความเศร้าหมองกับความทุกข์ก็เป็นเงาตามตัวความสุขกับความป่องใสก็แยกกันไม่ออกก็เป็นเงาตามตัวอยู่ในจุดเดียวกันนั้นเมื่อพิจารณาลงไปถึงขั้นนี้แล้วเห็นความแปรเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินี้อยู่แล้วนอนจะได้ยังไงนั่นแหละที่นี่ที่จะได้ทุ่มเข้าไปเต็มสติกําลังความสามารถถือจุดนั้นเป็นจุดสนามโลก เช่นเดียวกับสภาวะธรรมทัหลายที่เคยเป็นสนามรบพังกันมาพังกันมาโดยลําดับแล้วยังเหลืออยู่ธรรมชาตินี้แล้วกลายเป็นสนามรบขึ้นมาอย่างเต็มที่ของมหาธีเพานยาก็พังกันเลยนั่นที่นี่คำว่าผ่องใสไปไหนที่นี่นั่นถ้าว่าเป็นของจริงแล้วต้องทรงตัวอยู่สิดับได้ยังไงนี่ดับเออสยทิศจนไม่มีอะไรเหลือจนใจหายว่าไงนะอวิชชาดับใจหายฟ้าดินถล่มเป็นยังไง ความหลงกลับเป็นความรู้ก็เป็นฟ้าดินทั้งหลงนั่นเล้วหมดคําว่าเศร้าหมองคําว่าผ่องใสที่ว่าจุดอันสว่างกระจายแจ้งที่ว่าเป็นแดนอัศจรรย์ทั้งหลายในขั้นต้นแต่เมื่อมีธรรมชาติที่เหนือกว่านั้นอยู่แล้วอันนี้ก็กลายเป็นของจอมไปอย่างจอมจอมทีเดียว อย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าอันนี้ซึ่งเปรียบเหมือนกับทองคําทั้งแท่งแต่ก่อนได้กลายเป็นกองขี้ขวายทั้งทั้งกองแล้วนะมาปกปิดกําบังทองทั้งแท่งไว้ที่อยู่ให้อยู่ข้างล่างพออันนี้เปิดตัวไปแล้วอันเป็นยังไงทีนี้อันนั้นยิ่งอัศจรรย์มากกว่า น, นี้เหนือโลกเหนือสงสาลไม่มีอะไรเกิดไม่มีและคู่แข่งท่านจะว่าโล ก, กุตตระธรรมแปลว่าทำเหนือโลกเหนืออย่างนั่นที่ทํากิจให้หมัเนเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว อะไรมันก็เหนืออยูง่งันจะว่าไงนั่นถ้ามาเป็นอาถรระที่ให้เป็นไปอย่างไรไม่ได้แล้วนั่นถึงขั้นเป็นอาถรระของจิตเอากิเล่ห์ตัวไหนจะเข้าไปแทรกตัวไหนเมื่อมันหมดอวิชชาไปแล้วตัวไหนจะมาผิดเป็นชีเล่ขึ้นมาอีกให้ก่อควรหรื อ, อยุัย่วแก่ก่อควรเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่มีแล้วตัคําืูถูกด้วนๆนั่นพระพุทธชจ้าและพระสาวพวกทั้งหลายท่านสง่งชงอย่างนั้นเองประเสริฐท่านประเสริอย่างนั้นประเส ร, ริฐในระดักธรรมาชาติ ไม่ใช่เผชิด้วยความเสียสันตั้งยอแล้วก็หายไปหายไปดังที่เป็นมาตั้งกับตั้งการอยู่ในโลกสมมติอันนี้อันนั้นไม่ใช่โลกสมมติอันนี้เป็นโลกอุตตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกยากขนาดไหนก็ให้เห็นอันนี้เป็นสําคัญธรรมชาติจิตวิเลิาะห์นี้เหนือความยากความลําบากความทุกข์ทั้งหลายจึงต้องพยายามเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย นี่ถ้าพูดถึงเรื่องวาตลาราคาโนิพานเปิดแล้วยังนไงตลาดมาโขนนิพานตั้งแต่ขั้นสมาธิมาถึงขั้นปัญญาเป็นขั้นขั้นลงมาเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจกนกระทั่งถึงมุลหลุดพ้นนี่คือตลาดมาโคนนิพานอยู่ในพุทธศาสนานี่ทั้งนั้นกิเลสมีชั้นใดตลาดมาโขนนิพานก็มีชั้นนั้นเมื่อสติปัญญามีก็จับจับจับออกสมาธิก็จับได้ปัญญาก็จับได้เกาะติดไง วิมุตต์หลุดพ้นก็ได้มาเป็นสมบัติมหาสมบัติของตนเองโดยไม่ต้องสงสัยข้าหมหัวกิเลสไปซึ่งอยู่ในกองเดียวกันน่ะมันติดกันอยู่นั่นระหว่างกิเลสกับธรรมให้มันเห็นนั่งนั้นเลยอันนี้มันบุกพากัตั้งแต่กองที่ควายกองขี่ควายกองกิเลสกองอัดกองธรรมกองสมาธิปัญญาวิมุตต์หุดพน้นไม่ควา้าไม่ควา้าเวลาจิตมันถูกปิดบงังมันก็เป็นอย่างนั้นเวลาเปิดแล้วมันก็รู้อันนี้กองที่ควายก็รู้อันนั้นกอง มัคคนิพานมันก็รู้นั้นทํำไมมันจะไม่คว้านี่แหละที่พูดเบื้องต้นว่าศาสนธรรมพระเจ้าคือตลาดแห่งมัคคนิพานอยู่ในถ้ำกลางอยู่ในจุดเดียวกันอันเดียวกันนั่นแหละเป็นคู่แข่งกันในตลาดแห่งเดียวกันนั่นแหละระหว่างขี้เหร่กับทันแต่แต่เวลาขี้เหร่มีอำนาจมากมันก็เกลี้ยกล่อมพวกลูกค้าทั้งหลายให้ไปซื้อของมันซะหมดคว้างมันซะหมดหรืซื้อไม่ซื้อก็ตามขึ้นขึ้นคือไของกิเหร่แล้วความั่ความมั่บคว้ามั่บไปหมด ทำไม่เหลือเลยทำไม่เหมาะเหลือมองนั่นเนี่ยเวลามันหนาวมันเป็นอย่างนั้นแต่เวลามันเปิดตัวออกมาแล้วปิดได้ยังไงน่ะกิเลสมีเท่าไรสลัดออกหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยถึงจะเคยแบกเคยหา ม, มากี่กับกิการก็ตามไม่ได้เสียดายว่าเคยแบกมานานแสนนานทางลงทันทีเพรามันเป็นไผ่นานเท่าไรนั่นก็เป็นไผ่นี้จะสลัดไผ่ออกจากหัวใจผิดไปที่ตรงไหนทําที่เลิ่กว่านี้มีอยู่มากมายเช็นอยู่ประจำอยู่ตาใจใจก็พังกันอะไรนั่นออย่างนั้นที่นักปฏิบัติอย่าให้ อย่าได้ทอดถอยน้อยใจการปฏิบัติตัวของเราสดสดร้อนร้อนทำร พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธพระพเจ้ายังทรงประชนอยู่ชั้นใดอันนี้ก็ฉันนั้นธรรมคือสวดคาธรรมตราไว้ชอบแล้ว<ส>เพื่อจะเข้าสู่ธรรมเหล่านี้เองไม่ใช่เข้าสู่ไหนเข้าสู่แดนสามพุพโธนิพานนี่เองธรรมเหล่านั้นไม่ได้ไปไหนที่สอนไวนะ้น่ะเอาเข้าตรงนี้เอาเข้าตรงนี้นะเอาเข้าตรงนี้นะที่ว่าสวดคาธรรมตราไว้ชอบแล้วเจอแล้วคือก้าวตามนี้นะจะเข้าไปถึงจุดนั้นโดยไม่ต้องสงสัย จะเข้าไปถึงมหาสมบัติไปไม่ต้องสงสัยนี่ว่าอย่างไัตั้งอกตั้งใจภาวันพูดปฏิบัติอยาเราหรอแหละนะอยู่ด้วยกันมากมันมักเหลวไหลลอยเลยลูกเลยเรื่องภายนอกอย่ายุ่งจะเอามาเป็นอารมณ์ของใจอยาเสียดายความเสียดายเหล่านี้เคยทําลายเรามามากต่อมากแล้วไม่มีชิ้นดีพระพุทธเจ้าจริงต้องําหนึ ทำเป็นของเน่นของประสริเคยให้ความร่มเย็นใจ่ลกมาโดยลำดับได้จนกระทั่งถึงโลกุตระธรรมเป็นนั้นว่าหมดแล้วในเรื่องที่จะให้เกิดใจจกดตายเมื่อะก่อนไม่มีนั่นท่านก็สอนไว้หมดแล้วยูในธรรมพระเจ้าทั้งหมดแล้วผมพาการตั้ง อ, อกตั้งใจคุยปฏิบัติอะไรการจะยงทำเห็นจะสงกว